มีเจตนาอย่างเดียวเป็นหมลมวดที่9ภิสษจจงใจพยายามเพื่อความสนุกและเพื่อความหายโรคน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิสษจจงใจพยายามเพื่อความสนุกและเพื่อความสุขเพื่อความสนุกและเพื่อเป็นยาเพื่อความสนุกและเพื่อเป็นทานเพื่อความสนุกและเพื่อเป็นบุญเพื่อความสนุกและเพื่อบูชายันเพื่อความสนุกและเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อความสนุกและเพื่อสืบพันธุ์ ภิกษุจงใจพยายามเพื่อความสนุกและเพื่อทดลองน้ำอชจิเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศษพัทธจักรมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลจบ